มันจะบังเอิญอะไรอย่างนี้วะวันที่จะไปดูตรงกับวันศุกร์เราไปสิบสามคน <mel od ic> ก็เป็นศุกร์สิบสามเนอสิเหมือนที่ฝรั่งถือว่าเป็นวันปล่อยผีฮทุกคนต่างหัวเรอแล้วน น, น์ก็พูดกินว่า <_ hy ster> ไอ้บ้าเขาหมายถึงวันศุกร์ตรงกับวันที่บสามเว้ยไม่ใช่วันศุกร์ไปสบสามคนอาจารย์วีระซึ่งเป็นอาจารย์อาวุโสกว่าเพื่อน